การทำเลยหลังจากเราได้สาธยายพระสูตรเยาะบทสวดมนต์ไหว้พระแต่เราเฉิดพระเราต้องตายเกี่ยวกับชีวิตเราอย่างไรให้มันแยกไม่ออก พระพุทเจ้าตัดจะรู้ก็เป็นเรื่องของเราถ้าทําให้เกิดการตัดจะรู้ก็เป็นเรื่องของเราก็าสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่คนละเรื่อง <c oughs> <c oughs> นี่พระพุทธองค์พูดเรือเรื่องบาป <c oughs> เรื่องบุญ ก็เป็นเรื่องของเราด้วยไม่ใช่<ม>เราจะปฏิเสธมันถูกเราจึงควรเอาตัวเรา<ม>เป็นที่ตั้ง<ม>เป็นการบ้าน<ม>เป็นโจทย์<ม>เป็นจำเลย<ม>ไปด้วย ถ้าเราถือว่าเป็นการบ้านเป็นโจทย์ตกเป็นจำลอยของปัญหาเราก็ต้องแก้ไขพิภากษาตัวเราให้พ้นภัยเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นปุถุชนมาก่อน เหมือนพวกเราทุกก็เป็นทุกหลงก็เป็นหลงโกรธก็เป็นโกรธเมื่อน้อมเอาทรมาใช่พิภากษาลองดูเดี๋ยวมันหลงไม่หลงต้องทำเอาภาวะที่หลง ภาวาที่ม่หลงเกิดจากการกระทาของตัวเราโดยแท้ถ้าหลงทำไมยังทำได้ไม่หลงทำไ ม, ไ, ำ ไ, ม, ำ ไ, ไ, มไม่ได้หรือทำไมยังทุงกข์ยังทำได้ไม่ทุกข์ไม่ได้หรือทำไมจึงต้องโกรธไม่โกรธไม่ได้หรือเราก็ต้อง ไม่จนในเรื่องนี้คือเรื่องตัวเองตัวแรงจนแล้วก็จนตัวเรามีปัญหาแล้วก็เปปัญหามันไม่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องของเราแท้ๆด้านศรัทธาธรรมบารอบตนบารบโลกบารอบธรรม เราก็เห็นอยู่ใน ต, ตัวเราก็มีในโลกนี้ก็มีเพื่อให้เกิดความเมันาทำให้เป็นการรับไปชอบแบบนี้ยิ่งพวกเราเป็นสังคมมีครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกหลาน เป็นดินเดียวกันอากาศเดียวกันอาหารกันกวามปอยู่ก็ได้มาแจกแผ่นดินนี้หายใจอบนโลกนี้ด้วยกันหมดจึงเป็นส่วนรวมถ้าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งรับ <c oughs> ปิดชอบมันก็ไปไม่รอด จึงเสนอตัวเรานี่เข้าไปอีกแรงหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่อให้เป็นการงานของเราด้วยโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันครบวงจรนะก็ <Okay. S 2> เป็นคนคนเดียวกัน <Okay. S 2> ถ้าเรามีสติ ที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนมีสติ <c oughs> ก็กลายเป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าทุกคนหลงต่างคนต่างหล ง, งก็เป็นคนละคนกันไปปัญหาย่อมเปิดขึ้นได้ทำไมเราจึงต้องปล่อยการงานเช่นนี้ให้เกิดขึ้น บางทีเราก็ต้องทะเลาะราดกับพอ่อคกัวเดียวกันหัวเมียทะเลาะกันลูกหลานพี่น้องทะเลาะกันไม่ทะเลาะไม่ได้หรือมันต้อ ง, องเป็นไปได้แน่นอ น, น, อนลองใส่ใจอลองเอ่ความพยยาลองมีสติปัญญาลองดูม <c oughs> ันเป็นไปได้จริง เกิเรารู้สึกตัวก็วเป็นคนเดียวเดียวกันทันทีเหมือนกันหมดก็หลงก็เหมือนกันหมดเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงก็เหมือนกันหมดเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เหมือนกันหมดเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเหมือนกันหมด แตต้องยอมแพ้อย่างนี้เหรอปล่อยความหลงเกิดจากตัวเราอ็ไปกระทบกับคนอื่นปล่อยความโกรธเกิดเึ้นกับเราก็ไปทบกับคนอื่นไม่ต้องสงสยัยเราเคยเสียเปียกความโกรธเสียเปียบความหลงเสียเปียบความทุกข์มาบ้างหรือไม่ จีที่เราหลงบางคนเขาไม่หลงจี๋ที่เขโกรธบางคนเขาไม่โกรธจี๋ที่เราทุกข์บางคนก็ไม่ทุกข์ทำใหม่เราจะต้อ ง, องเป็นอย่างนั้นมันถูกต้องหรือไม่ตัว อ, อย่างพระพุทธเจ้าให้ทําตามว่าทำ ผู้เจ้าก็บอกว่าผู้เจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วเป็นอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้แล้วจกเป็นไปด้วยอีกไม่มีหยุดความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงจะเป็นไปแบบนี้ วามหลงไม่เป็นธรรมขวไม่หลงเป็นธรรมมันจริงแบบนี้วามโกรธไม่เป็นธรรมขวไม่โกรธเป็นธรรมจริงแบบนี้เป็นปัจจิตตังของใครของเราถ้าใครได้พบเห็นก็ก็เป็นของคนนั้นบางทีไม่ต้องมีคำถาม นั่นคือปฏิบัติธรรมต้องทำด้วยตัวเองความรู้จะคิดเอาไม่ได้ต้องประกอบต้องมีความเพียรตามพระยุคลบาทพระพเจ้าจัดเจ้าได้ทำอย่างไรเดินเพลนเดินหกระองเดินนั่งใต้ต้นศรีมหาโพธิ กู้แขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแขน อ, ออกรู้สึกตัวกู้แขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแขน อ, ออกรู้สึกตัวเลยตัดเป็นสาคนไปเลยมีสติไปในกายจะสติต้องมีส่วนประกอบจึงจะเป็นสติปัฏฐาน ถ้าสติธรรมดาสัตว์ฉานก็มีสติหมาหมูแมวมีสติกันทั้งนั้นสติธรรมดาบางทีมันมันไม่คุ้มนักสาไม่รอดจะมีสติปฐานกาหนดเห็นกายสวพปะกายเข้าไป อะไรที่มันเกิดขึ้กับกายโตอตอบทักท้วงไม่ใช่ตัวตนเด็ดขาดความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อไม่ใช่ตัวตน <c oughs> มันเกิดช่อนเป็นตัวตนอยู่ในกายให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นโตอตอบทักท้วงแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติ เวลานี้เรามาปฏิบัติเข้มให้เช่มแบบนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่คือเข้มหลงที่ใดพ้นที่นั้นไม่ใช่นั่งหลังกดหลังงอไม่ใช่เดินไม่หยุดไม่ย้อนไม่หลับไม่นอนความหลงมาเกิดได้ทุกอดียบทแม้แตนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ก็หลงได้ นั่นแหละมีโอกาสเราปฏิบัติเข้มอย่าปล่อยทิ้งติดงานของเรามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงจบไปแล้วมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นงานทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์จบไปแล้วนี่คือเข้มอะไรที่ไม่ใช่ความรู้เข้มกับบัตรนี่คือการฝึกหัด คือการรักษาการแก้ไขการป้องกันถ้าไม่รู้จักขัดก็ทําให้เป็ีนมันหลงก็หลงไปในว่าทําไม่เป็นถ้าประขาดมันจะเป็นไม่ใช่ความรู้เพรมันหลงมันก็ไม่หลงทันทีตัวาะมันทุกข์มันก็ไปทุกข์ทันทีเพรมันโกรธมันก็ไปโกรธทันทีเพรมันทําเป็น เล่านี้เราทําเป็นไหม้เราหลงเราหลงไปเลยกี่ข้างกี่หนแล้วจะหลงไปจนตายหรือจะทุกข์จนตายหรือจะโกหกจนตายหรื อ, รอเพราทําไม่เป็นมีแต่ความรู้ทําไม่เป็นการฝึกหัดแบบนี้ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ไปเรียนไม่ใช่เรียนรู้ เป็นการฝึกขัดถ้าไม่หัดมันก็ไม่เป็นถ้ามันเป็นแล้วมันไม่ลืมมันไม่ลืมจะ ต, ต้องเข้มกบับเรื่องนี้ลองดูให้มันต่อเนื่องให้ชำไม่ชํานานต่อไปก็จะสะดวกอย่างง่าย ถ้าเราฝึกตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยวืตเราก็สะดวกไปยาวนานแต่ถ้าไม่ฝึกก็กไม่สะดวกอะไรก็ก็ไปเป็นปทั้งหมด <c oughs> หลายภพหลายชาติมันงองามในกันความหลงเนี่ยถ้าหลงก็ไปไกล ก็ไม่หลงก็ไปไกลไปคนละทางลวมหลงไปสู่ทุกขติลำบากก็ไม่หลงไปสู่สุขติสะดวกหมนคนขยันย่อมหาทัพได้คนเกียดคขาดจะนอนเป็นทุกข์นี่กรรมฐานไปอย่างนี้เป็นเรื่องของชีวิตเราโดยแท้ไม่ใช่เราจะ ปฏิเสธได้สิทธิหน้าที่ของเราโดยตรงเรามีสิตธิไม่หลงเรามีสิตทิไม่โกรธเรามีจิิไม่ทุกข์ต้องใช่สิติให้เต็มที่นี่ว่าธรรมาทิปตายเอกลันษณของชีวิตชั่วงหนึ่ง ที่ภาคภาษาตัวอย่างให้พ้นภัยไมอิสละไม่ต้องตกเป็นทาสของปัญหาเอาปัญหาเป็นปัญญาไปได้เลยเดียวปฏิวัติเข้มตามที่เรากำหนดกันยาวนานมาแล้วเข้มช่วงนี้ ตรงกันปลายปีเข้มท่วงหนึ่งตอนกลางปีงปงงวันที่ยี่สิบพฤษภาถึงวันที่สามสิบนิตยดาสี่สิบวันทีนี้ก็ทำกันเป็นประจำหาโอกาสให้ผู้ที่จะแบ่งหาด้วยพิจูดว่า หลักปฏิบัติธรรมตามทัพธิจ้าของมันเท็จจริงขนาดไหนทัพธิจ้าท้าไทายก็ลองพิสูจน์ลองดูผู้ที่จเจริญจติตต่อเนื่องหนึ่งวันหเจวันเป็นพระอาดีตบุคคลโจอราอานาคามีมากอานาออนาคามีผลอาอหารดับผน มีอา น, นิสงส์สองประการ น, นี่แน่นอนด่างไวก็เจ็ดเดือนเก็ดวันเจ็ดหนึ่งวันเจ็ดวันกลางกลางหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนด่างชา้าหนึ่งปีเจ็ดปีเนี่ยนี่ใครจะพิสูจน์ตรตงนี้กันบ้างขอให้ที่นี่เป็นเวทีกัน เป็นสนามเผื่อกันก็จะอยู่ได้สะดวกตามทุกคนเจตานะของพวกเราเราก็จะขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่ทอดไม่ทิ้งเรารับผิดชอบคำสอนพระเจ้าร้อยเอร์เซนว่ามีจริงบาปมีจริงบุญมีจริง <c oughs> นรกผลที่พ่านมีจริง หาได้ในชีวิตเหล่านี้ให้เป็นเรื่องรีบด่วนเักหน่อยรีบทำสาอะไรที่มันเป็นงานชอบอย่าปล่อยเที่ไงไว้บางทีมันแม้แต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่จริง ไม่มีใครเห็นพวกนี้เราเห็นคือเดี๋ยวนี้เราทำอย่างไรแล้วไปทำเดี๋ยวนี้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นที่ป้องกัน <c oughs> จีวิตเราได้เมื่อวานก็ไม่มีไม่เห็น เราเห็นคือเห็นเดี๋ยวนี้วิดาดนี้วินาทีนี้ทำอะไรก็ทำซะหายใจไม่เข้าก็ตายไปแล้วหายใจเข้าไม่ออกก็ตายไปแล้วชีวิตของเรานิดหน่อยเหมือนน้ำพางบนยอดหญ้าไม่ควรจะประมาทให้กระตือรือร้นเักหน่อย อย่างที่ <c oughs> เราคิดไม่ถึงแนละ้วอย่างมานานมานี้พูด ก, กันจับพูดกันกับเจ้าคณะอำเภอนั่งโซฟาเดียวกันจับแขนกันตอนที่เราป่วยเจ้าอาเภอก็มาจับแขนปกติแล้วนะ เราก็จับแขนเจ้าหนอมเพล่ทาไมผอมเหลือเกินแขนไปเทียบกันแบมือใส่กันดูเจ้าหนอาเพลบอกว่าแขงแรงนะแขงแรงนะยังแขนแรงนะผอมๆก็แขงแรงนะโตกันได้ไม่กี่วันตายไปแล้วยังว่าเต้นแข็งแรงแขงแรงแขงแรงนะ ที่จะก็ตายไปไปแป๊บเดียวเป็นคืนเดียวก็ตายเลยมรภาพไม่ควรประมาทนะไม่ใช่ลั้ขวขวบตายเราจะใช้ชีวติตของเราเป็นสําเร็จที่มันได้มามีรูปมีน้ําเนี่ยจะใช้มันสําเร็จที่มันเกิดมาเนี่ยอะไรที่มันเป็นผลสําเร็จ แล้วก็มีอยู่่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเหนือการเกิดเจ็บตายคือทำอย่างไรนี่สำคัญที่สุดรศาสนานี้ไม่ใช่จะมาเพียงกราบไหว้ทำพิธีทาบุญทาทานศาสนานี้คือเหนือการเกิดเจ็บตายจึงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้า พะไปสอนคนในรูปตามทำได้ไดก็เลยได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธเพราะเอาชนะเรื่องเกิดเจ็เจ็บตายไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงมีใครจะแก่ไหมมีใครจะเจ็บมีใครจะตายไหมทุกคนไม่รอดเว้นเราเที่ยวไปเฉยไม่ได้เลยนั่นเป็นการตัดสินใจถูก พิภาคษามาแล้วเรื่องนี้เราจึงต้องให้มันเหนือเรื่องนี้ไปคือเห็นไม่เป็นยิ่งใหญ่นะเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงยิ่งใหญ่นะ ผูจากนี้ให้ไม่ให้ความสาคัญนะบางคนเพราว่าหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงยิ่งใหญ่มากก็เริ่มไปจากจุดนี้นะเป็นมันทุกข์กไม่เป็นทุกข์กค้นเจ้าความทุกข์กยิ่งใหญ่มันที่จะไปเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บคนเจ้าความเก็บ มันไปแบบนี้นะเดินไปอย่างนี้เท้ๆนะไม่ใช่ไปคุดคิดออกไม่ใช่นะทำเป็นหลงทำเป็นหวายมันทุกข์ทำเป็นหมายมันโกรธทำเป็นหวายต้องหัดถ้าไม่หัดทำไมเป็นนะเวลามันตายเห็นมันจะตายไม่เป็นผู้ตายพุดจากความตาย เราไม่ได้อยู่ความแก่ียดความเจลียดคนตายเราอยู่อีกอันหน่งไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์มันอาใช้กายใช้ใจนี่มาหัดจนมันเป็นศินลปะเหมือนจีลาเป็นศินลปะของชีวิตก็มีมันหัดหัดได้เป็นจัดประเสริฐเริ่มต้นจาก มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงก้าวแรกงานทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกถ้ามันมีนะต้องมีเจอเรื่องนี้แน่นอนมีสภาวะที่รู้มีสภาวะที่หลงโชให้เห็นเลยทีเดียวเหมือนเรามีตาเราดูก็เห็นสิ่งที่ผ่านปตาติเป็นดวงตาภายใน ไม่ใช่เห็นแต่พอลูกลเห็นนามธรรมาแล้มันเกิดช้องขึ้นมาควมหลงเป็นนามะลูกความทุกข์เป็นนามะลูกความโกรธเป็นนามะลูกสัมผัสได้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่สัมผัสเหมือนกายนะมีรสชาติทุกก็มีรสนะโกรธก็มีรสนะโลกก็มีรสนะหลงก็มีรสชาตินะ ถ้เห็นมันหลงไม่เป็นพระหลงจืดจนะ้ารสอั น, นี่จืดจนะ้าทุกเห็นมันทุกไม่เป็นพูะทุกลสของทุกนี่จืดจนะ้โกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นพระโกรธจืดนะจ้าเอาไจืดไปเลยมันชิ่นภพชิ้นชาติไม่มีค่าถ้าเราห้าะแรกก็อาจะชวนกะ็ะฉะสักหน่อย เปลนหลงเป็นโูน่ไม่หนักไม่ยา ก, ยากเหมือนไลยย่โยงง่ายง่ายยิ้มยิมก็ได้อมยิ้มไว้ก็ได้หัวโล้ค ว, วมหลงหัวโล้ค ว, วมทุกข์ได้หัวโล้ค ว, วมโกรธได้ถ้าเราไม่ฝึกก็ไมีถต่หน้าบูดหน้าเบืงไปเวลามาโกรธไปส่องกระจกดูเป็นอย่างไร มันมีรสชาติถ้าเราได้เผาศักโลกสองโลกจะชำนาญขึ้นยิมได้เมื่อไฟมีเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะนี่ <Okay. S 1> ก็ขอโชว์คำสอนพทธเจ้าให้ฟังเอาไปสัมผัสเอาไปชิมดูมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงสองสามรอบ ก็จะง่ายถ้าไม่ผ่านโลบที่หนึ่งรอบที่สองก็ผ่านได้ตรงหัดให้ได้เามันหลงเห็นมันหล ง, ลงไม่เป็นผู้หล ง, ลงยากเสหน่อยนะนะตอ่อจะง่ายที่จะไม่หลงทำมาใหม่ง่ายที่จะหลงด้วย<ง>อย่าหมดหวังทำไปทําไปง่ายที่จะไม่หลง มันเปิดได้อย่างนี้ชื่อของเราวิชากรรมฐานเป็นอย่างนี้นะนก็จะขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับทุกท่านมีอาจารย์ทรงศิลป์วัชชัยหลายรูปอยู่นี่เป็นอาจารย์แม่ไก่ไม่ทอดไม่ทิ้งมีปัญหาเรื่องได เรามีเพื่อนมีมิตรนะสมควรนะวันนี้นะนะวันนี้พูดท่องวันเลยอะไรนะก <c oughs> ล่าวนะนะพระพร้อมกัน